วันนี้ก็ <c oughs> ท่านอาจารย์สันติก็ได้มาเยี่ยมพวกเรามาธุระอื่นด้วยแล้วก็จะอาศัยโอกาสอันนี้แหละ <c oughs> ใครมีปัญหาอะไรก็สนทนากันโดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักอาารยสันติตั้งแต่พันสามหนึ่งเะตั้งแต่พันสามหนึ่งเลยท่านไปที่ธรรมทิพย์ะนะรู้จักท่านที่นั่น เออไม่เก่งสวสดปริวาสปากเปล่าได้โอ้โหเก่งมากเลยนะแล้วก็นานๆก็พบปะกันครั้งหนึ่งนะก็เจออีกครั้งที่วัดจากแดงบ้างที่ที่สุพรรณบ้างนะั่นะนะก็สนทนากันหลายครั้งด้วยกันก็ถือว่าพบปะกันสะักแปดปีแล้วนะ สักแปดปีได้ก็วันนี้ก็ท่านอาจารย์ก็มาเพื่อจะติดตั้งอะไรโปรแกรมการตัดต่อเสียงทางคอมพิวเตอร์นั่นแะนะก็มาแนะนำให้แล้วก็ถือโอกาสเป็นอันดีที่จะได้กลับมาร่วมสนทนาธรรมนั่นะนะฟังธรรมในพร้อมกับการเรียนสติปัฏฐานของเราภาควันนี้ด้วยนั่นแะลนะ้วนกะ็ ผู้ใดมีปัญหาธรรมะเนี่ยนะก็ถามได้เลยเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่ค้นความมากอยู่ละตอนนี้ก็เปิดสอนสองคัมภีร์หลักนั้นะปฏิสัมพิทากับเนติปรกรณนั่นนะแล้วก็สอนอภิธรรมมัตตสังกะหะด้วยก่อนนับว่าเป็นผู้ที่ทําประโยชน์เกื้อกูลต่อพุทธศาสนิกชนในใสาสนาั่นนะก่อนนับว่าได้พบปะกัลยาณมิตรนั่นนะ เป็นา <c oughs> จารย์มิรเจจันทรนีนสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านเออความจริงก็คิดว่าคงจะเป็นการเริ่มศึกษาใหม่ด้วยนะครับเพราะว่า ถึงแม้จะมีการศึกษาพระไตรปิฎกมาอพอสมควรก็ตาม น, นะครับแต่ว่าคิดว่ายังไม่เพียงพอแก่การที่จะรู้หรือว่าเข้าใจจริงๆก็คงจะต้องอาศัยจากการศึกษาร่วมกันด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมก็ฟังท่านสมบัติบรรยายธรรมะนะครับทั้งทางเทปแล้วก็ทางวิทยุเพราะว่าคิดว่า คามรู้ความเข้าใจก็ยังไม่เพียงพอแต่สําหรับเรื่องของการศึกษาก็ศึกษายังศึกษายอยู่นะครับแล้วก็ที่ไปสอนนี่ก็จะเรียกว่าสอนก็ยังไม่ได้เพราะว่าเพียงแต่ว่าเรียนมาก่อนบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นการศึกษาร่วมกันอย่างอย่างเรื่องของคำพีปฏิสัมพิธามักนนะครับก่อนหน้านี้ก็อ่านก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับภายหลังก็อ่านแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจบ้าง แล้วก็เห็นความละเอียดมากนะครับจึงเราเนี่ยผ่านร่วงเลยเพียญชนะเหล่านั้นมาก็เลยคิดว่าคิดว่ามีประโยชน์มากๆในการที่จะให้ผู้อื่นรู้ด้วยก็เลยทําให้เรียนร่วมกันนะครับแล้วก็ยังคำภีเนติปกรนี่ก็เป็นหลักของการอ่านพระไตรปิฎกทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาในคมภีนี้เราก็ไปอ่านแล้วก็ตีความหมายกันไปเองเพราะว่าสําหรับพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ส่งแสดงตามอธัธยาศัยของสัตว์สัตว์บางท่านหรือว่าบางบางคนนี่สะสมปัญญา ม, ามากในการที่จะแสดงเพียงพยัญชนะสั้นๆย่อๆท่านก็สามารถที่จะรู้รายละเอียดได้แต่ว่าเราไปอ่านสูตรนั้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้ท่านพระมหากาจชนะเนี่ยท่านแสดงวิธีการในการที่จะเข้าถึงพยัญชนะเหล่านั้นเนี่ยให้เราทราบ เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ศึกษาคำพีหลักเหล่านี้นะครับปฏิสัมพิธามาก็ดีเนติปกรณ์ก็ดีหรือว่ามหานิเทศพวกนี้ก็ดีเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยทราบซึ้งในพระไตรปิฎกเราก็สามารถที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ก็เลยคิดว่าจะเรียนร่วมกันนะครับไม่ใช่จะเป็นการสอนแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากที่พบกับท่านสมบัติมาแปดปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็ ท่นก็เรียกว่าเรียกผมเป็นอาจารย์นะครับอาจจะมาสนทนาหาความรู้ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมคงจะต้องขอความรู้จากท่านเพราะว่าคิดว่าเวลาที่ไปแนะนําหรือว่าสอนคนอื่นโดยที่คิดว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยครับเป็นการที่ประมาทนะครับไม่ได้ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดยิ่งขึ้นไม่ได้น้อมนําในการที่จะพิจารณาหรือว่าประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งเหล่านั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ บางครั้งก็จะรู้สึกว่าประมาทการที่จะเป็นอาจารย์สอนคนอื่นนี่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าลืมตัวหรือว่าประมาทเมื่อไหร่ก็จะมีโทษมากกว่าผู้ที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าคงจะต้องศึกษาร่วมกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจละเอียดเพิ่มขึ้นก็จะนิมนต์ท่านสอนต่อมัครับ ผู้ใดถามแม่สงสัยแล้วไหมครับผมขอกราบเรียนอขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์นะครับผมขออนุญาตถามอาจารย์สนตินะครับว่าเท่าที่ท่านได้ศึกษาพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนในสํานักก่อนๆ น, นะฮ ะ, ะกับในปัจจุบันท่านเห็นความแตกต่างากันอย่างไรครับ ระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะครับเ อ, อ่อสำหรับอดีตเนี่ยนะคะก็คิดว่าคงจะเ อ, อ่อไม่อยากจะกล่าวถึงมากนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะกล่าวในปัจจุบันว่าการที่เราจะถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆเนี่ยนะคะก็คือจากการที่เข้าใจพระธรมรมเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจพระธรรมแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เลยพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้เราไม่เห็นนะครับ ในอดีตกาลเนี่ยเขาเดินตามพระพุทธเจ้ากันก็เห็นกิริยาเห็นจริยาเห็นความประพฤติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่จะขอถึงพระพุทธเจ้านั้นไม่ยากเลยนะครับพระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันใครๆเขาก็รู้ใช่ไหมครับว่าองค์นี้เป็นภาษารีบุตรพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าเป็นพระหันเป็นธรรมมเสนาบดีองค์นี้เป็นพระโมคคารณะเป็นผู้ถึงพร้อมด้ฤทธิ์องค์นี้เป็นพระราหุลเป็นพระ มหาัสปะพูดถือทุดงท่านถึงพระสงฆ์ก็ไม่ยากนะครับสำหรับพระธรรมผู้ที่ศึกษาฟังธรรมะแล้วก็ได้บรรลุธรรมท่านเหล่านั้นก็ถึงพระธรรมกันเป็นพระอริยสงฆ์แต่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้รู้จักพระอริยสงฆ์แล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ด้วยเนี่ยจะถึงพระรัตนตรัยได้อย่างไรถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็คิดว่าธรรมะที่เราจะถึงในเมื่อเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุ ค, คลก็คือปริยติสัจธรรมถ้าเราศึกษาพระสัจธรรมให้ละเอียดเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเราก็จะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นตามกําลังของปัญญานะครับจะอยู่ใกล้พระสงค์มากขึ้นก็คือตัวเราเองก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระสงค์แล้วก็มีโอกาสที่จะถึงพระธรรมก็คือมรรคผลแล้วก็นิพพานแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือขอถึงพระปริยสัจธรรม เพราะฉะนั้นจะเป็นสำนักใดๆก็ตามที่กล่าวธรรมแล้วก็มีความคาดเคลื่อนจากปริยสัจธรรมเนี่ยอันนั้นก็คงจะวางเอาไว้ก่อนแต่ว่าต่อไปนี้ก็คงคิดว่าจะพยายามเข้าใจพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้ก็หลงเหลืออยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นไม่มีใครที่จะมีอายุถึงสองพันกว่าปีใช่ไหมครับแค่ร้อยปีนี้ก็ไม่ถึงแล้วปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ไม่สามารถที่จะทรงคําสอนของพระพุทธเจ้ามาจากในอดีตการได้ คำสอนของเขาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกกับท่านอาจารย์อาจารย์แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับก็ท่านอาจารย์สุมณ์ซึ่งก็เป็นอาจารย์ของท่านสมบัติาอาจารย์สมบัติ ด, ด้วยนะครับแอาจารย์ผมด้วยท่านก็ไปช่วยแนะนําสอนเรื่องของพระรัตนตรัยนะครับท่านก็แสดงว่าสําหรับ คำพีต่างๆเนี่ยครับถ้าเป็นนอกจากพระบาลีพุทธพจน์เนี่ยจะจัดเป็น3ามลำดับสําหรับท่านอาจารย์ต่างๆนะครับก็คือโบราณาจารย์อย่างหนึ่งอัตถกถาจารย์อย่างหนึ่งแล้วก็คันทะรจนาจารย์อย่างหนึ่งสําหรับโบราณาจารย์เนี่ยหมายถึงพระอระหันต์ห้ามีพระมหาการสปะเป็นต้นพระอานนท์เหล่านี้นะครับแล้วก็ท่านพระ อรหันทั้งหลาย700สังขยาครั้งที่สองพระอรหร 100, อันทร้อยพันรูปสังขยาครั้งที่สท่านเหล่านี้เป็นโบราณจารย์นะครับเป็นพระโบราณจารย์ซึ่งเริ่มต้นก็ตั้งแต่พระมหากัรสปะนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านในคำภีรอ้างว่าเป็นโบราณจารย์ขอให้รู้ว่าเป็นพระอรหัน์รุ่นแรกแต่สําหรับอัตตกถาจารย์นะครับสําหรับอัตตกถาตั้งแต่พระสารีบุตรพระมหากัจจรณะ แล้วก็กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยในคำพีสังคณีปรกรณ์นะครับจะมีเขาเรียกอัตถุธารกันใช่ไหมครับอัตตกถากัรอัฏฐุธารกันหรือว่าอัตตกถากัร น, นั่นเองนี่ก็เป็นคําตรัสของพระพุทธเจ้านะครับปกิณกะกะถาที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสาวกต่างๆเนี่ยไม่ได้ยกขึ้นสู่สังขยา แต่ว่าท่านพระอาจารย์หลังๆ ห, ห, หรือว่าพระอรหันต์ที่สังคยนานะครับก็เอาปกินนกกะกถาของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาแสดงในอัตถกถาเพราะฉะนั้นอัตถกถาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายด้วยส่วนพระคันรถธนาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่เรียบเรียงหรือว่ารจานาขึ้นอย่างเช่นพระพุทธโกษาจาร์ท่านไม่ใช่ระดับอัตถกถาจาร์นะครับ ท่านเป็นระดับที่เรียบเรียงนะครับไม่ทราบที่จะมีแต่งก็มีคำภีวิสุทธิมาร์กใช่ไหมครับคำพีวิสุทธิมาร์กก็คือย่อพระไตรบิดกนั่นเองเพราะฉะนั้นอาจารย์รุ่นหลังๆเหล่านี้ก็เป็นพระคันธรสนาจารย์สำหรับท่านพระมหากัจายณะนี้พิเศษนะครับก็คือเป็นทั้งโบราณอาจารย์ด้วยเป็นทั้งอัตฉริ า, าจารย์ด้วยแล้วก็เป็นทั้งคันธรสนาจารย์ด้วยท่านอาจารย์สุมลท่าน นำไม่ทราบคัมภีร์อะไรไม่ทราบนะครับเล่มหนึ่งท่านเอามาอ่านให้ฟังเพราะฉะนั้นจากบาลีพุทธพจน์ก็คือพระไตรปิฎกที่เราศึกษาถ้าไม่เข้าใจท่านอราจารย์ต่างๆท่านก็มาแก้ไขท่านก็มาเรียบเรียงนะครับแล้วก็มาแก้พยัญชนะต่างๆที่ชวนสงสัยให้เราเข้าใจนอกจากนั้นก็ยังมีพระคันธรัตนาจารย์ที่แต่งดีกาต่างๆมาช่วยเสริมช่วยให้อธิบายความเข้าใจต่างๆ สิ่งเหล่านี้เลยครับเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ยึดถือเพราะว่าถ้าเรามีความเข้าใจในพระธรรมมากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติพระธรรมได้สมควรกับธรรมมากเท่านั้นแล้วการปฏิบัติธรรมสมควรกับธรรมก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญถ้าเราเคารพพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ก็คือจะต้องเข้าใจพระธรรมประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธแล้วก็พระสงฆ์เหล่านั้นท่านั้นก็คงจะ มีที่พึ่งกันตามกำลังของปัญญาที่เราได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็น่าเห็นใจพวกผมลูกกำพร้าทั้งหลายหยิบหยิบพระไตรปิฎกหยิบพระคำพีขึ้นมาข้างไรนี่มันก็มันก็สุดที่จะอ่านให้ไปได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะ อ่านแล้วก็วางอังและอ่านแล้วก็วางะมันเป็นความจริงอย่างนั้นนะแม้แต่ตัวกับผมเองมีพัตตัยพีดกมาถึงสิบกว่าปีก็เก็บไว้ในตู้จนอายใจจนกระทั่งเอา้าต้องออกออกมาอ่านจนได้นะแล้วก็จึงรู้ว่ากว่าจะอ่านกว่าจะบังคับตัวเองเนี่ยอ่านให้มาได้ตลอดเล่าฟังได้เนี่ยโอ้โหจึงใช้ความเพียรความพยายามมากๆเลยถ้ามาได้ตั้งอัตตาสัมปนาสัมมาปณิธิวาเราจะอ่านพรัไตัยพีดกในชีวิตนี้ให้ได้หนึ่งรอบ นะแม้กระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่ครบรอบครับได้พระสุตตันตปิฎกไปไปได้รอบรอบก ว, กว่านะฮะบางเล่มได้หลายรอบหน่อยนะครับพาอชอบส่วนพระวินัยนี่ก็ยางเลยครับนะฮะแล้วก็พระพิธรรมก็มีธรรมะสังคขนี้กับกับวิพังเท่านั้นนะครับที่ที่ที่อ่านอ่านมากกว่าเพื่อนนะฮะนอกนั้นตัวพระบาลีตัวปัฐฐานเองหมดติดเลยครับ นะมีย ม, มกเอามาอ่านนิดหน่อยนะฮะก็ข้อนี้นะครับก็น่าเห็นใจพวกผมนะเด็กกำพร้าทั้งหลายเนี่ยนะครับจะท่านจึงมีอะไรที่จะแนะนําว่าเออจะทํำยังไงดีนะถึงจะมีความเพียรให้เห็นประโยชน์ยังไงครับที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยครับท่านลองแนะนําหน่อยสิครับอาบัญชานทันติญญ ก็ทั้งลูกชิดทั้งกรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็สนใจกันมากน้อยแค่ไหนเผื่อว่าพวกผมจะได้เป็นเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะมันมันต้องพวกผมมันมันสังขาลิกครับเออถ้าแต่ละคนย้อนระลึกชาติได้เนี่ยก็คงจะอาจจะทำให้เกิดความสลดใจบ้างนะครับถ้ามีความเข้าใจถูกต้องเพราะว่าคนที่ระลึกชาติได้เนี่ยไม่ได้สลดใจทุกคนหรอก อย่างเช่นพระเทวทัตนี้ก็ระลึกชาติได้นะครับแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความตั้งจิตไว้ถูกต้องเนี่ยถ้าเราย้อนระลึกหรือว่าไม่ได้เห็นจริงๆนะครับแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยเราลองพิจารณาว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติแต่เราพบแัตวาชาติเนี่ยมีชาติไหนไหมที่เราไม่แก่แล้วก็ไม่ตายเราเกิดมาแล้วเราก็แก่แล้วก็ตายได้รับความทุกข์พลาจากของรักประสบกับสิ่งที่ไม่รักโดยตลอด แต่ว่าเราลืมหมดเพราะว่าภพชาติก็ปิดกันแล้วเราก็จะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้อีกมากมายตราบใดที่เรายังไม่ถึงที่สุดทุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะกระทําที่สุดทุกขหรือว่าทําให้ทุกข์ลดลงนั้นแหะก็ไม่มีจากที่อื่นก็ต้องจากการที่มีปัญญาแล้วมีปัญญาจะมีได้ก็เพราะว่าเราได้ศึกษาเราได้ฟังพระสัจธรรมได้ศึกษาพระสัจธรรมเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดเนี่ยครับ ที่ปัญญาของเรายังไม่เจริญเพราะว่าข้อมูลในการทด่พิจารณาของเราก็ยังน้อยในครั้งอดีตกาลเนี่ยผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสหรือว่าพระสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านฟังธรรมกันระวัละกี่ครั้งบางทีก็เป็นทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับฟังธรรมตลอดคืนยังรุ่งเพราะว่าเห็นประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแต่ละพบแต่ละชาติที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทิ้งไปหมดเหมือนกับความฝันใช่ไหมครับ เหมือนกับเด็กเล่นขายของกันก็ต่างคนต่างยื้อแย่งต่างคนต่างช่วงชิงกันเวลาเลิกก็ทิ้งไปหมดเลยไม่เห็นว่ามีค่าอะไรแต่เวลาที่จะเล่นก็จะต้องไปหามาใหม่ทุกภพทุกชาติของเราก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจความจริงซึ่งจะต้องเกิดจากการศึกษาพระสัทธรรมถ้าเราไม่เสียสละเวลาบ้างนะครับท่านแสดงเรื่องการแสวงหาไว้สองอย่างใช่ค แสวงหาในสิ่งที่มีโทษกับแสวงหาสิ่งที่ไม่มีโทษถ้าเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นแสวงหาสิ่งที่เกิดด้วยสิ่งที่แก่ด้วยสิ่งที่เจ็บไข้แล้วก็สิ่งที่ยังตายอยู่เป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเลยแต่การแสวงหาที่ประเสริฐก็คือแสวงหาทางพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องแสวงหาในชีวิตของเราเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทําให้เราพ้นจากทุกข์ได้ ถ้าเราไม่สละเวลาในการที่มาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วเราสละเวลาไปทำอย่างอื่นมากจนก ร, กระทั่งลืมนะครับว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดของชีวิตก็คือพระธรรมนะครับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นผู้ที่เคารพพระธรรมจากการที่พระองค์ทรงบําเพ็ญแล้วก็ตัดสู้มาเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากที่สุดนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ให้ความสําคัญเลยนี่เป็นไปไม่ได้นะครับ เรายังมีครอบครัวเรายังมีภาระมีหน้าที่มีสิ่งต่างๆที่ยังเป็นที่ตั้งของความยึดถืออยู่แต่ว่าถ้ารองเปรียบเทียบหรือว่าพิจารณาว่าอะไรจะมีค่ามากกว่ากันบุตรพันยาสามีทรัพย์สินเงินทองกับพระธรรมใครทำให้พ้นจากทุกข์ไม่ทราบว่ามีนี่ทาให้เกิดความสุขมากหรือว่าทุกข์มากรับ มีทรัพย์มากที่ทำให้เกิดสุขมากหรือว่าทุกข์มากแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่เราจะสละหมดนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงให้หลักธรรมนะครับว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วควรจะต้องกระทําอย่างไรต่อสิ่งเหล่านี้ถ้ามีบุตรภรรยาสามีจะต้องทําหน้าที่อย่างไรเพื่อจะให้ชีวิตมีความสุขถ้ามีทรัพย์และจะต้องใช้จ่ายทรัพย์อย่างไรที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขแต่ว่าจะต้องรู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นที่ตั้งของความทุกข์ อาสาธาทั้งหมดถ้าพลิกอีกด้านหนึ่งก็คืออาทีนวะใช่ไหมครับมันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสำหรับปุถุชนทั่วไปก็มองเห็นโดยความเป็นของเพิดเพลินแต่ถ้าเป็นพระอริยะหรือว่าผู้ที่หวังในการที่จะออกจากทุกข์ก็จะเห็นในด้านตรงกันข้ามก็คือสิ่งเหล่านั้นเป็นโทษและถ้าเมื่อไหร่เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นทเป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ทำให้เกิดทุกทุกทษเหล่านี้นะครับถ้าเราได้ฟังพระสัจธรรมก็จะเริ่มมองเห็นความจริงแล้วก็จะเริ่มสามารถยถาธรรมหนทางยถาธรรมให้หมดทุกได้ถ้ามีความการพิจารณาหรือว่ามีการใส่ใจในการที่จะเห็นสิ่งที่น้อมนําให้เกิดทุกเหล่านี้นะครับทำให้เกิดความสลดสังเวชเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีวิริยะ เพิ่มขึ้นในการที่จะศึกษาพระไตรปิฎกก็ตามในการที่จะพิจารณาธรรมะก็ตามหรือว่าในการที่จะตอนนี้เริ่มทําปริญญากันแล้วใช่ไหมครับก็จะทำให้มีความเพียรในการที่จะกระทําปริญญาได้เพิ่มขึ้นนักปราชปริญญาและอนุปริญญาอยู่เยอะ มาท่านอาจารย์สันติให้เกียรติเรานะว่าเรากําลังทําปริญญาอยู่ไม่ใช่นักมัธยมแล้วนะครับก็ใครจะมีปัญหาอะไรถามไหมครับแล้วท่านอาจารย์สันติสอนที่นู่นนะี่ยนะแล้วลูกศิษย์ท่านอะเชื่อไหมครับว่าเรื่องจํานี่มันความจําเป็นไงผมที่นี่รู้สึกว่าที่นี่ท่านอาจารย์ก็พูดแล้วพูดอีกเหมือนกันนะครับในชั้นในชั้นเนี่ยประโยชน์ของการทรงจําอะไรไว้ได้เนี่ยท่านเห็นว่าจําเป็นแค่แค่ไหน เอออันนี้ออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ใช่คุยโอนะครับอัธยาศัยเนี่ยเป็นคนชอบจำนะครับเมื่อก่อนนี้ปาฏิโมกศีสองรอยยี่สิเจ็ข้อทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนะครับจะจำได้ปัฐานนิเทศภาษาบาลีนะครับจะจำได้มงคลอ่ สวดพระปะริศนะครับสวดพระปะริศพระสูตรต่างๆทำมาจากอาทิตยอนัตต์ต่างๆเนี่ยจำได้แต่ว่าภายหลังเนี่ยก็มีเหตุอันเป็นไปนะครับที่ทำให้มองไม่เห็นความสำคัญของความจำแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ด้วยว่ามนเนี่ยมีการไม่ท่องบน่นเป็นมนทินก็เลยเป็นมนทินจริงๆนะครับตอนนี้เนี่เลือนหมดแล้วนะครับ แต่ว่าจากการที่เริ่มมีความรู้สึกตัวก็อาจจะมีการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้ในอดีตนะครับแล้วก็ปกติแล้วก็จะตั้งเอาไว้เสมอๆนะครับเวลาก่อนจะนอนเนี่ยไววพระสวดมนต์ก็จะตั้งเอาไว้โดยตลอดมานะครับก็ทำให้เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่เราเริ่มที่จะมีความคิดที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ถูกแล้วก็เริ่มหันมามาพิจารณาใหม่นะครับว่า บางครั้งกุศลที่ควรจะเจริญเนี่ยไม่เจริญเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะตั้งจิตไว้ไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องก็เริ่มมาพิจารณาพิจารณาใหม่นะครับแล้วก็เริ่มเห็นความสําคัญของความจํามากในอดีตเนี่ยก็เคยได้ยินได้ฟังมานะครับหรือว่าได้ศึกษามาว่าสติปัฏฐานเนี่ยมีความจําที่มั่นคงแต่เราไม่เข้าใจว่าความจําที่มั่นคงนั้นจําอะไรเราคิดว่าไปจําแต่สภาพธรรมะอย่างเดียวแต่ความจริงก็คือพระพุทธพจน์ทั้งหมด ถ้าจำได้มากเท่าไรก็มีโอกาสที่จะคล้อยตามในส่วนความจำเพราะว่าเราไม่ใช่จำเพื่อจะเอาไปขายไม่ใช่จำเพื่อจะเป็นเล่นไม่ใช่จำเพื่อจะอามาอวดใช่ไหครับเราจำเพื่อที่จะประพฤติตามเพราะฉะนั้นความจำเหล่านั้นแหละเป็นเหตุที่ทำให้เมื่อไรที่เราใค้ครวนตามมีการพิจารณาตามจิตจะน้อมไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะจำนะครับพยายามที่จะทบทวนนะครับแต่ว่าตามกาลัง ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าโดยปกติผมเองเนี่ยผมมีอธัธยาศัยในการที่จะจํำอยู่แล้ ว, ลวเพียงแต่ว่าอาจจ ะ, ะมีอากุศลมากั้นนะครับก็เลยทําให้ละเลยส่วนเหล่านี้ไปแล้วปัจจุบันนี้ก็แนะนําให้จําเพราะว่าหลักคําสอนเนี่ยนะครับสมัยก่อนนี้เขาไม่มีการจดจารึกนะครับความจริงแล้วมีตัวหนังสือแล้วนะครับ แล้วก็มีเครื่องเขียนแต่ว่าไม่มีความบริบูรณ์ไม่มีความสมบูรณ์เขาไม่มีกระดาษแพร่หลายของเราไม่มีปากกามีอะไรเพราะฉะนั้นเครื่องเขียนต่งตางๆนี้จะไม่ดีเลยแล้วก็คงจะเห็นประโยชน์ของความจำเป็นสำคัญด้วยจึงไม่นิยมในการที่จะให้จดจารึกเอาไว้เพราะฉะนั้นก็จะมีการถ่ายทอดแล้วสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในใจเนี่ยสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาได้ง่าย สามารถที่จะเห็นชัดสามารถที่จะไต่ตรองสามารถที่จะพิจารณาเพราะฉะนั้นจึงสันเสริญของความทรงจําแต่ความทรงจําในที่นี้ต้องรู้นะครับว่าจําด้วยกุศลจิตไม่ใช่จําด้วยอกุศลจิตทรงแสดงว่าเมื่อมีการฟังใช่ไหมครับก็ทรงจําไว้แล้วก็ใคร่ครวญธรรมะที่ทรงจําไว้แต่ว่าถ้าเราทรงจําไม่ได้จะไข้ครวญได้อย่างไงวิตกะที่จะตรึกเนี่ยนะครับจะต้องตรึก จากสิ่งที่มีในใจใช่ไหมครับถ้าไม่มีสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยวิตกะก็ไม่สามารถเดียตรึกได้แล้วถ้าวิตกะตรึกไม่ได้ปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเห็นชัดในธรรมะเหล่านั้นได้ปัญญาจะมาจากไหนละครับถ้าจําไม่ได้นะครับเพียงแค่สัญญาหรือว่าเป็นเพียงแค่ฟังแล้วก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจอันนี้ตรวจสอบได้นะครับว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าถ้าบอกว่าเข้าใจ ลองแสดงนะคําว่าเข้าใจอะไรถ้าไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าบอกว่าเข้าใจให้รู้ว่าไม่มีอะไรนะครับ